ลงโกลกจะให้สลา้าสามวันทีแล้วก็ต้องมีขันดอกไม้ขึ้นปูชาเดินกลับมาข้างทางถุกข้างทางนี้ก็ต้องกล้าอีกแล้วก็มีขันดอกไม้ขึ้นปูชาทํอย่างนี้อยู่เป็นเวลา2000สอง0รรษารวมเป็นปีหกเดือน หลือจากนั้นผมก็สืบออกมาผมยังเป็นห่วงในการปฏิบัติธรรมจากนั้นมาก็มีอาจารย์อีคนหนึ่งมาตั้งทางสี่สิบมาตั้งทางเสียงใหม่ท่านบอกว่าเห้จอย่างนั้นมันผิดท่านเลยมาสอนวิธีอรหังให้ผมก็เลยรับทำตามกับท่าน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 พุทธเข้าโถออกว่าเจ้าของเคยตำนานทำกับกุบาอาจารมาทำเป็นสันเข้าเอกาคือสันเข้าเท่อเดียวใวบาเจแปะฉะนั้นผลการปฏิบัติธรรมะนั้นก็ทำมาอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆมาบวชอยู่เป็นเวลาหกเดือนผมก็สึก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 ก็มาผมได้ยินวิธีท่านอาจารย์ปานว่าวิธีติงนิ่งผมได้ยินอย่างนี้ผมก็เลยไปฟังเทศกับท่านอาจารย์มหาสุรจันทร์นี่แหละฟังตั้งแต่หกโมงแรงถึงหกโมงเช้าข้อสงสัยบุกพ้ององเลียผมถามเอายัง่งให้มันมึกสงสัยลยนะครับ ท่านก็เลยสุดท้ายไป้าถ้าอยากรู้ต้องมาปฏิบัติเอาจะสอนกันเนี่ยบอกเข้าใจท่านวาจานี้เมื่อรับฟังโอวาทของท่านแล้วผมเป็นนึกอยู่เป็นเวลาปีหนึ่งผมคิดอยู่คิดหาความสุขในการปฏิบัติธรรมนี่เป็นห่วงยูโบเซาในขณะนั้นผมคิดอยู่ ผมก็เลยลงมาปฏิบัติที่สำนักวัดหลังศิษย์มกดาลามที่อำเภอสรีสิงห์ม้นี่เนยเมื่อมาถึงแล้วท่านอาจารย์มหาศรีจันทร์ก็เลยบอกว่าปีนี้จะได้ขึ้นประจำธรรษาหลวงพระบางจะได้ให้หลวงพระวันทองมาเป็นอาจารย์ประจาอยู่ที่ตรงนี้ผมก็เลยได้รับคำแนะนาจากหลวงพระวันทอง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 ภาวนาตายนี่เราเฮ็ดมาหลายปีแล้วมันยังบ่เป็นนี่อย่างเทนะ่านั้นผมคิดอย่างนี้ผมก็เลยมาทําจังหวะอย่างที่ท่านหลวงพ่อวันทองสอนให้ตีงนี้ตีงนี้ตีงนี้อย่างนี้แหละท่านสอนให้ยกเป็นจังหวะเมื่อมันหยุดท่างกับให้ว่า น, นี้เมื่อมันตีท่านก็ยกแล้วให้มันตีงังนทำโยในขณะนั้น ประมาณจักรั่วโมงหนึ่งผมนั่นเลยคือจัออกรีวอลให้เนี่ยอวสิ่งนี้ก็ะด็มันเป็นการบริกรรมขันห้าหากักละวอลยังซีอยู่กับเป็นการบริกรรมมันก็นที่ไปคิดอยู่คือกันกับละวอาพุทโธพุทโธอย่างซีคือเก่าเนะ่ยบ้าผมคิดอย่างซีทําวันนั้นเลยบ้ได้ผลนอน เตือนเอามาเมื่อหน้ากูที่เอามาคักๆเราจำพวกเตือนมาคับทำกันโรอี้เมื่อทันกับคัอีกขึ้นทำเดิน้พรเดินในเกณฑีห้าหนี่ผมลุกเดินจนผมดูตะตเป็นแสงออกมาตัวผมนี่คือแสงในหินห้อย ผมก็เลยเข้าใจว่าธรรมะเกิดขึ้นกับเราแล้วแบบนี้วันนั้นผลนึกไปนึกมาผมได้อ่านหนังสือปฐมสมโพธิ์อ่าเป็นีนิดระวังอันนกันะหายไปผมก็เดินจนกมกลงอยู่ไม่นานก็เกิดขึ้นมาอีกเติมมันหุ่งเป็นแสงสว่างออกจากตัวผมนี่คลายคายคือใต้กระบองหรือคือแสงตะเกียงเะ้าพยุนนี่เนะี่ ออกจากมือผมผมได้เอามือทั้งสองมือมาแลกันไว้ว่าโอ้แสงธรรมะนี่เป็นอั่องซีเนาะวะท่นผมเข้าใจว่าเมื่อธรรมะอันนี้ก็แหล้ผมไปเป็นนึกคิดเนี่ยเราอ่านหนังสือปฐมมาสมโพเนี่เป็นนิมิตแล้วอันนี้วะั่นก็เลยหายไปอีกตืมผมก็เดินจมกรมยู่เดินไปเดินมาเดินห้องแคบแ เมื่อเดินไปเดินมาเนื่องแล้วผมก็ลงมานั่งนั่งมีเมี ง, งอดตัวนึงตกลงมาตั้งเตตบนตกใส่ขาผมเนี่ยผมก็เลยพิจารณาเอ๊ะนั่งเบิง้งเมี ง, งอดตกแต่มันก็ว่ตอดผมมันก็เลยยูกับขาผมเอะรูปนี่มันบรเเ็ณอย่างให้กันเนผมเลยเข้าใจอย่างสีร่รถขาเราก็เป็นรูปเมงงออดก็เป็นรูป ขาล้วก็เป็นรูปน้ำเน่งว่าก็เป็นรูปน้ำโอ้มันเป็นรูปน้ำคือกันเหมือทั้งสองอย่างเนี้ส่วนมันทําลายกันนี่มันให้มันตอดนี่มันไม่มิหยังมันแม่นนามอันหนึ่งบังคับให้รูปทำผมก็เลยนึกได้ว่าโอ้รูปนามนี่มันอาศัยซึ่งกันและกันมันเกี่ยวเนื่องกันเนี้ยสหรับรูปนี่บัวทำอย่างเป็นนามนี่บังคับให้รูปทม รูปกับน้ำเนี่ยจึงติดกันอยู่บนเสาจากเธอผมก็เลยเข้าใจเรื่องรูปน้ําชัดนะเตียงก็เป็นรูปเป็นน้ำมาสันตุงเข้าใจทังทีแล้วผมก็เลยเอาไม้มัดให้เมียงงอดไตออกจากขาผมผมก็เอาแมีงงอดออกไปวางไว้พอได้เมงงอดเน้นออกไปวางไว้ทางนอกคุณแล้วผมก็เลยมาทําอีกตื่นมก็เลยปรากฏขึ้นมาว่า เอ้รูดน้ำนี่เป็นทุกเด้การเคลื่อนไหวทุกส่วนเป็นทุกแม้สัตว์เล็กเล็กน้อยนก็เป็นทุกจะเป็นเจ้าฟ้ามาหากษัตริย์ก็เป็นทุกโอ้พันว่าทุกขงังอ น, นิจจังอนาัตตานี่มันการเคลื่อนไหวทิพตาหาใจคิดนึกทุกส่วนนี่มันม่นทุกขงัง น, นี่อนิจจังนี่แปลว่าเราจะนั่งอยู่จากชั่วโมงหนึ่งนี้ บ่ให้เหนึ่งให้ตีจากน้อยนี่ก็ทนบ่ได้โอ้อันนี้มันเป็นอันนี้จังเนี่ยผมเลยเข้าใจไปทีส่วนอนัตตานั่นแหละบังคับบ่ได้อย่าพิบตาเบื้งรูอย่าหาใจเบืง้งดูอย่านึกอย่าคิดเบื้งดู้สิจากส้วมองหนึง่งบ่ได้ผมเลยเข้าใจว่าโอ้ทุกครั้งอันนี้จังอนัตตาเกิดดับนี่ลงยุติสภาพเดียวกันเนี่เพราะมันบูจะแต้อำนาจบังคับบัญชาผู้ใด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 หายใจเข้าก็เป็นทุกข์หายใจออกก็เป็นทุกข์เกิดน้ำลายลงก็เป็นทุกข์บัดนี้มึงสูบบุหรี่นี่เขาจะเป็นทุกข์บ่ละสันบัดนี้ทุกข์ว่าสันสูบบังดู่มึงสูบได้บ่ละสันผมถามผมเองเนี้ยสูบบ่ได้แล้วขันบดุญญาตให้สูบกับสูบบ่ได้แล้วอ่ะสันเอ้าสูบบังรุ่งสันสูบบ่ได้สันดุญญาตเนี่ยกูจะดุญญาตให้มึงไปจับเอาบุหรี่สันเอาไปเอาไปแตะไว้มือเดียวมันกระจับโบขึ้นเอ้า เอาขึ้นมาแม่จะเอาขึ้นโบไ <unc> ด้คันโบโดุญาตให้สกรนั่นสผมกะโดุญาติให้มัเอาจับขึ้นมะบะเหนียวจับขึ้นมาทอดบุรีออกจากมันสองมันทอดโบออกเลยมือเดออียวคันให้จับเอามือเดียวนี่ขัทอดโบออกจําเป็นต้องคันโบให้จับสองมือกะทอดโบได้ผมกะโดยญาติให้เอ้าทอดออกมาบังดูสิเอามาจ่อใส่ปากผมเนี่ยเอาบังดูมึงเอาได้บ้าัสนเอามาบได้คันโบโดยญาตให้อ้าปากขึ้นสกรมาสิ มันักเป็นในตัวมันได้ครับเราเนี่ยผมกรดุญาดอาปากบางังดูสังอาปา ก, กเอาบุลีสูกยัดใสปากนี่บัดเนี่ยบัดนี้บุรีนั้นพวมีไฟบัดเนี่ยสุบบอดาธรรมดาไฟบอดไม้บัดนี้ก็เอ้าสุบบังดูสังสุบบไดายขันบัเอาไฟมาใส่เอ้าเอากับขีบ้บังดูสังนจับมือเดียวจับมือเดียวมาต้อยกับขิก้กระโเป็ี่นมือเดียวบัดนี้ ขับอดูญาตให้จับสองมือขบอดได้แล้ววะท่นผมกวนเอาดูญาตให้มันจับสองมือจับจับก็มาไข่ออกไข่จับแต่ไม่กับขี้ซื่อบนเนี่ยต้อยบอเป็นอีกตืมบอดุญาตให้ก็ต้อยบอได้แล้ววะท่นเอ้าต่อยบนดู้นวะท่นบนเนี่ยต้อยต้อยเอามาจีเซม้นนู้นจีเซมกับสูบเขาเนี่ยนี่เป็นปัญหาที่ให้ผมสะท้อนเรื่องการเห็นผุก เป็นพิษเป็นภัยแก่ผมผมก็เลยเอา้ามูซุปเข้าไปนี่มันให้ประโยชน์แก่มึงอย่างเดมีเจ้การทํำลายล่างกายทั้งนั้นนําเสื้อโลกเข้ามาเม้นทราบเมนข่าวมึงรูจ้จักบกวมพินาจิตภายผมมาว่าให้ผมเองศาสตร์ซัวสาสตโง่มึงเนี่ยบักพินาจิตภายอย่างนั้นอย่างนี้อบสารพัดจะมันวายผมผมวายผมเองผมก็เลยตั้งแต่เมื่อนั้นมาผมเลยหยุด สุบุรีเลยโบสุบจักเื่อเทาดือนี้ล่ะครับเรื่องการสุบุรีแต่น้ําตานั้นไหลอยู่โบเสาเป็นอยู่ข้งกระดานต่อมามีแม่ออกเอาเข้าวต้มไปให้แม่ออเอาเข้าวต้มไปให้ผมยังให้อยู่เป็นยังมาสักผมหน้าสมเพชหน้าสงสาร เมื่อผมโบได้เข้ามาในสำนักนี้ผมสิโบได้รู้ธรรมะอันนี้และน่าสมเพชน่าสงสารผมบบมีผู้บอกให้ผมว่าสันพมวานเสาอย่าให้ว่าสันมันกระอดโบได้พอเวลาสันจังหันแล้วนี้ท่านหลวงพ่อวันทองเนี่ยไปหาผมบ่าเนี่ยเพื่อนไปสอบอารมณ์เพื่อนไปเห็นผมให้อยู่สพนำหน้าบ่ว่าสันพรนวาน่ ว่าทัานผมนึกค oh, ิดใจไม่ขึ้นเหมือนพราะคนเนี่ยมาให้ยอนซีกันมาสบน้ำหน้าน้ำตากันเราเห็นธรรมะนางซีกัหน้าที่กิมาปลอบโยนกันทัาท่นอย่างซีผมนักคิดไปเพราะหลวงพ่อนี่คล้ายๆคือบ่มีธรรมะแท้ๆว่าท่นมาสบน้ำหน้าน้ำตากันนางซีเลยน้ําตาผมก็เลยเศร้ามันเป็นปีตีขึ้นเพราะการเห็น รูปนามทําอิฐนี่ขั้นแรกหรือว่าผมดีใจกับแมนเป็นปีตีกับแมนยินดีเพราะผมได้รูปรูปรูปนามรูปธรำนามทำรูปโลกนามโลกรูปทุกขังอนิจจังอนัตตารูปสมมุติรูปเปรมดในขณะนั้นครับบ่มีการหยุดยั้งพอดีออกจากรูโมนีเนี่ยพอวันทองวานก็น้ําตากระหายแเพิ่นไปให้อารมณ์อีกตืม ตั้งสติให้มันดีใส่พรนวานครับผมก็บอกองเสียเพื่อนเลยบอกว่าจิตเป็นนากายเป็นเรือสติเป็นหางเสือปัญญาเป็นคนพายเข้าใจบ่เข้าใจครับตั้งใจนะใส่พันวันขับผมก็เลยตั้งใจกระทำกันอีกไปทำกันอีกไปในขณะนั้นเย็นจนจนมือแรงให้วาจอไป ทำเพื่อ น, นี่ไปได้ผมก็ทำอยู่ทาสันเจนเมื่อแรงในขณะที่มาที่ในเกณฑ์ทุมมึงนี่แหละผมก็เลยเกิดปรากฏขึ้นอีตึมหัวจาักการคิดการนึกนี่เป็นทุกถนัดเมืการคิดทุกส่วนถนัดผมก็เลยตั้งส ต, ติเบิงบาเอาตัวทุก ต, ต, ตัวนี้มันเป็นละเอียดที่สุดผมเอามือผมมาแกงสิละนี่มันยาบยานียวฉัน แล้วผมขยับเข้ามาพิบตานี่มันละเอียดเข้ามาหายใจนี่คนอื่นยังมองเห็นได้อยู่ส่วนจิตใจคิดนี่คนอื่นมองเห็นโวได้ปทัทโธตัวนี้เด้มันละเอียดคนหมูท่านผมก็เลยเอาสติมามองดูจิตใจนี่แหละครับอยู่บมีไผ่บอกไผสอนเรื่องนี้แต่ครูบาอาจารย์กรบโบได้แนะนำเพิ่นบอกถึงว่าเอาดีๆนะจิตเป็นนายกายเป็นเรือส ต, ติเป็นหางเสือปัญญาเป็นคนพเพิ่นไปให้แต่เสียงแ่นั้น ผมก็เลยมาตั้งท่ากูคิดเบื้องจิตมันคิดมันนึกนีก่คนะน่าวะท่นมันเป็นยังไงวะท่นมันคิดมาจากใจ่ผมมามองข้ามลมหายใจมิดเดียวครับตัวคิดนี่อยู่ต้องนอกอยู่นอกลมหายใจมิดเดียวมองข้ามอยู่ที่ตรงนี้พอดีมองข้ามที่ตรงนี้ตรงนี้ผมก็เลยปรากฏเข้าหู่จักรมัตมาเมื่อหู่จักปรปลามานี่จิตใจผมน้ำหนักตัวผมนี่นะ g, สิบสองกิโลวะ่น คลายๆก ค, คือมันเบาขึ้นมาอีซึมในเล่าอย่างน้อยที่สุดว่าสันผมออกทิ้เมื่อกี้นี่หกิโลเหลืออยูหกกิโลว่าสันบ้าเนี่ยส่วนขวมบอดีให้มันได้แป้งผมรู้จักปรมาสเดีรผมเดินจมกรมไปยูเดินท่ามันโบยยาวครับเดินไปเดินมาอยู่ประมาณอีกจากห้านาทีเป็นอีซึมทำให้จิตใจผมเตี้ยนแปลงประจักสภาพเดินอีกซึม ส่วนหกิโลนั่นเหละออกไปอีกซึมเรื อ, อยุติธรรมมาจากสี่กิโลปลาโถจิตใจนี่มันเตี้ยนเป็นระดับเป็นอย่างสี้นผมก็ไปห่วนคิดนะฮะอันที่ว่าปฐมฌานทุกสัญญาณนี่มันเป็นสิน่งผลอัตตคบคิดอย่างสิอนแล้วผมก็เลยเดินไปเดินมาอยู่ปรากฏขึ้นมาอีกซึมระดับจิตใจนี่เปลี่ยนขึ้นมาอีกเป็นครั้งที่สามนะะี่ครับ มีอารมณ์เป็นตอนเป็นตอนไปน้ำหนักสี่กิโลนั่นแ่ะจิ๋วเลื อ, อยยุประมาณ์นะจากสองกิโลตกไปอีกขึ้นจากสองกิโลครับข้างเป็นสีเนื้อบกเอิดเกิดเกิดมาแล้วก็เคยเป็นสิจักเถือน แ, แม่นแม่นทางปฏิบททัติจะแทบทัดเงียบมาหยุดอยู่นผักหนึ่งอีกหนึ่งคิดหนึ่งคิดหาพ่อหาแม่คิดหาอ้ายหาน้องคิดหาในตะกูลคิดหมดโลกบัดเนี่ย โ้คนนี้ต้องการทำมาเมื่อทุกคนครบผเข้าใจด้วยมันพรนนาออกไปนอกไปตะคอนบาดเนียวพรนนาออกไปเอ๊ะมันคิดไปส่วนนอกนี่เหมือนโบแมนลรือว่าผมเข้าใจว่าวิปลาดมันออกไปนอกคมว่ากันตรว่าอันส่วนเมื่อรู้ลุบหนาเมื่อเราพันนาอยู่หัทมาคิดในคิดนี้เป็นวิปัสนาอันเนียวผมเลยเข้าใจอย่างนี้ ต่อไปถึกัเบิ้งจิดคิดนึกตัวนี้ต่อไปอีกซึมเบื้องฟ้าตามภาษาบนคูบาจานที่แนะนำํำให้มีอยู่นเพิ่นแนะนําอยู่แต่เพิ่นถามว่าไปหาเพราะมันเป็นเวลาที่มันใกล้กันให้ว่าได้ไปพวกก็เดินจมกลมอยู่เดินไปเดินมาเลยเล ย, เลยแล้วกันครับตอนนั้นมันนอนนอนตื่นมากประมาณตีตี น, นี่ย อย่างคันบันย่างสวยหรือที่เป็นตีสามเนผมตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมามาทําอีกตึ้มทํายี่ประมาณจากชั่วโมงหนึ่งครับบันนี้ครับปรากฏขึ้นมาอีกตึ้มเสียแล้วบันเนี่ยปรากฏผมว่าโอ้ลักษณะนี้เป็นอย่างัไรลักษณะนี้เป็นอย่างนนไนไหลขึ้นมาตั้งแต่เมื่อผมรู้จักลูกน้าไหลขึ้นมาไหลขึ้นมาจิตใจมันเพี้ยนขึ้นมาบันนี้ บื้งอยู่บั น, นี้ผมแล้วรู้จักว่าเรื่องวิมุตินี่นะครับวิมุตว่าครับคือความหลุดพ้นวิมุตเป็นเหตุเจต ว, วิมุตเป็นผลเจต ว, วิมุตินี่คือผลที่ได้รับได้ความคิดอย่างซีขึ้นมาคิดอย่างซีอารมณ์ที่เกิดผ่านมานั้นประจํามาจํามา จ, มาจนเท้าทุกวันนี้อารมณ์ปรจําได้โบลงโบลงจักข้อเท่าทุกวันเดี๋ยวนี้ที่ผมนํามาเล่าสู่มู่ฟังนี่ วันนี้เบื้งไปหู้จักว่าอาโกโซนทางกายทำบาปด้วยกายนี่นี่ว่าอากโซนตายไปแล้วเป็นหยังว่าันวันนี้อาโกโซนทางวาจาวาตั้งแต่ปากซื้อล่างกายบวชทมตายไปแล้วบาปเป็นหยังว่ า, ากันอโกโนด้วยใจยคิดอิจฉาเบียดเบียนผู้อื่นซื้อเตบทโบดากายกบบรบโบธำ ตายไปแล้วเป็นยังว่าทั้นผมถามตัวเองผมได้เนี่ยมันคิดผู้เดียวมันถามผู้เดียวมันวันนี้ทั้งสามอย่างนี่แหละวันนี้วนี้อภิสุทธทางกายหนึ่งกายกระทำป้ากกระว้าอีกตึมเธอหนึงใจก็ยังคิดคิดศาสรนิสยาเขาอยู่เธอหนึ่งสามอันนี้มันรวมเข้ากันเนี่ยมันตายก็ได้มันได้เป็นยังว่าทั้งรวมเป็นที่ข้อด้วยกันมาบวกกันใช่ไหมวันนี้ กุศลด้วยกายสิเอาใจกายทำบุญซื้อส่วนวาจานั้นเบาปากเบาเบาทำตั้งแต่กายจะเกิดเป็นอย่างบุญอันเนียงวันนี้กุศลทางวาจาเว้าตั้งแต่ส่วนมู่ทำบุญทำถามเนี่ยตายไปแล้วจะเกิดเป็นอย่างบันนี้กุศลทางใจมี่ใจคิดซื้อส่วนร่างกายนี้บาหันปากกับเว้า ตายไปแล <tr> ้วจิตจเกิดเปลี่ยนหนังอะไรคิดกันสิวันนี้กุศลด้วยกายกายกระทําทําบุญเนี่ยทําดีเนี่ยวาจากระทําะไรกันใจกระทําทําดีทั้งสามอย่างนี้มาบวกเข้ากันแล้วตายแล้วจิตจเกิดเป็ี่ยนหนังอะไพอดีเบื้องมาเท่านี้แหละครับคล้ายๆกูปี๊บฟาจีน่ะขาดตั๊บรถจีใจผมฉันเดิดขึ้นรถรับจิตใจผมนี่ฆ่าต้อกจักกันแต่บัวแมง ขาดกระเมนไผ่โเห็นเนอะเรื่องจิตใจขาดไว่โบจ่ไปขาดตัดนึง่งสะดิดขึ้นรถครับผมผมเดินจงกลมอยู่เดินไปเดินมาผมนึกคิดว่าพุมขวัสุขในหลักพุทธศาสนา น, นี้พระพุทธเจ้าสอนมาแปดมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นี่รวมลงมาสู้สุดเดียวนี้เผมนึกเข้าใจอย่างสีล่ลถแต่เกลือบผมก็เกลือบพาดอซมพนหนึ่งเนนงท่งอารมณ์ครับ เลยมาทิ้งอารมณ์ผมที่ผมเห็นเรามานะเนื้ออกรมณด้วยกายด้วยวาจาด้วยกันพยุงไปไปสบายพลดเกินไปสบายยืมประมาณนะจากชั่วโมงหนึ่งครับเดินไปเดินมาเบามัดเมิกทุกหมินสนการที่มันหนักแน่นอยู่นําตัวนำตัวคนมดว่ากันผมลายมัดไม่มีอะไรเหลือเสียแล้วบัดนีอะไรสบายไหลสบายหลายมันมันเคลีบติดด้วยความสุขครับอ้าว ว่เป็นหาได้นเป็นวากันท่าว่าติดใจผมสุขนี่ยมันจีนหลักลืมหลักฐานเน้นีิวาสันผมคิดขึ้นมาบังซี่ขึ้นมาอีกทผมกลับเข้ามาทวนอารมณ์ผมอีกเื่มเสีนึงเมื่อกลับเข้ามาทวนอารมณ์ผมแล้วผมก็ น, นึกได้โอ้อันนี้เปรียบดั่งไม่มีห้องอันหนึง่งล้วเอาไม้มาพาดอะไรบางสิ่ถ้าเราเดินไปที่ไม้ลําเดียวถ้าเราเยียบไม้ลําเดียวพลิกแล้วตกตกลงแล้วก็เป็นอันเถึกดินลดบาดเดียวตายโบได้บด า, ยยางสิส่งบาง มันเนี่ยถ้ามีไม้พาดแล้วก็มีไม้อีกตื้นลํานจับให้เราเดินไปได้สบายเมื่อเราเสเราเได้จับไม่อันนี้เป็นกําลังแรงเลยโอ้อารมณ์นี่มาช่วยให้เป็นกําลังแรงบอให้เราลืมตัวนี่แม้นอารมณ์นี่เด้ลักษณะความเป็นอย่งซีผมจึงเชื่อแนว่ว่าคําสอนของพระเจ้านี่มีท่อนี้เนาะท่านนี่มันเป็นอย่างซีประวัติผมอ ง, องปฏิบัติธรรมะมา เดี๋เราให้ฟังของเสียงยอยอต่อจากนั้นนาผมก็เลยปฏิบัติมาอย่างซีโยูมาแล้วกับมือปีนั้นเป็นเป็นแปดสองคนคันถ้าเป็นเมือมม่อวันเมื่อสิบซี่ของพอกเรากับมือสิบซี่ของมืองมืองเหล่านั้นอะ่ะมันบูถูกกันพระอาจารย์ปานก็เลยมาตกมือสิบห้าของพวกเฮาที่มามาเพื่อจะเลยมาถามผมเอาผมไปถาม คนสอบนักปฏิบัตินำการนี่คนสอบทีละคน ล, ละคนครับโบคือพวกเราให้ไปหาทีละคนบบได้ไปพร้อมกันมีนักปฏิบัติผ้าจํานวนยี่สิบสามองค์ยี่สิบสามลูกไปวัดไปแล้วก็มีโยมผู้หญิงผู้ชายก็มีห้าคนปฏิบัติด้วยกันมูนั้นไปหมดแล้บวบ้านนี้ก็เป็นตกเพี้ยนผมไปเมื่อนําแดดผมเป็นสลบา่าตัยเมือ่อไ ไปฮอตพ้นก็ถามเป็นย่างไดว่าสันพ้นถามเมื่อยครับวะก็ของคนเมื่อยมันก็รู้จักเสันวะโน่เมื่อยเพศสิบองู้จักมู่พ้นกะจีหุ่นจักทุกคนว่าเมื่อยขันทํางานเมื่อยเบนบอกเออกันหุ่จักผมก็เลยตอบว่าเมื่อยครับวะหุ่นจักบอกเมื่อยหนึ่งจักครับวะผมก็ตอบอย่างเสือตอบซื่อให้ม่าได้ไปอันนี้่ำกันเลยว่ะนางย้อนมีสติบอสันมีขับว่ะ สติยุใ ส, สยุกับผมนี่แล้วครับว่ะเพื่อนก็นเลยบอกว่ากลับเข้าห้องกลับมาทานอีกคืนไปว่าสันเพื่นบอกป้าโถว่าอาจารย์นี่สิมาแก้ปัญหาถามปัญหากูแล้วเด้บัดเนียว่าสันผมก็เลยย่างเดยจมกรมอ่ะโอ้ยมือใดเด็กกูจะจะแก้ปัญหาท่านอาจารย์นี่เนาะท่านผมคิดยังซีอยู่เอานะบนมือนึงกับวันนึงแหละเพืน่นจีมาสอบอารมณ์กูเนียวสันผมใจกล้าหาญอยู่สันครับ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 สังกันกานางยุโต๊ะคือยังซี่แหละกรมกรันน่งคือพุทธอาจารย์นี่นะพ้นอิงหมอนเทามีหมอนเทาใหญ่คือหมอนเทาขัเจ้ามาถวายเขานี่นั่งเองอยู่พบนกระถามผมเป็นฮอสนะเป็นยัางไรพอออกเสียงคานนะผมว่าเป็นอย่างคับหืม<ะ>มาสั่นคนว่าคนตะคอกคนคู่ให้ว่าเธอไปใจนี่ว่าหนึ่งยันขึ้นบนันเดียอ้าวมึงยานยังไงมึงโบไขโบเจ็บโบหนาโบเป็ดไม่ยังมึงยานยังไงส ใจเกิดขึ้นอีกตืมพูนหนึ่งคล้ายๆคือมีคู่บบเนี่้ผมเป็นคู่นั่งเหยียบค้างเนะครับใจิตใจเนี่มันกล้าขึ้นมาอีกตืมเชิญหนึง่งคล้ายๆคือว่าบ่ยานให้มันไปไปครับใจกล้าหางกล้ามาตว่าได้แบบ น, นี้ใจนี่พทุทธะมึงยานสิเมื่อกี้นี่ย่านทําไมครับท่นเราจะว่ไปย่างกงไปกงมาเมื่อนี้วะท่านท่าถามเป็นปัญหาก็ต้องแก้ปัญหาว่าสังคีตอยู่ในใจแบบนี้ เพิ่งเพิ่งก็เลยถามถามมาพอะออกมาถามว่าเป็นยังไงผมหู้จักอย่างแดงหูจักว่าอาจารย์มัตอบว่าหูจักอันใดว่าหูจักตัวผมนี่แล้วว่าจารยตอบคนหนึ่งหูจักอันใดหู้จักตัวพระออกน่ะหู้จักรูปธรรมนามธรรมหูจักรูปนามหู้จักสมมุติหู้จักศาสนาหู้จักพุทธศาสนานี่แล้วอาจารย์เฮ้ คนคัน บ, บู้จาจักรลูกบู้เขาจักรนาำบู้เขาจักรลูปทำน้ำทำบู้เาจักศาสนาครับบ้าท่านั้นคือคนตายแล้วนี่เท่า น, นั้นแล้ว่าสันพันวาเนียนครับผมตายในเทสะก่อนผมเป็นคนตายแล้วครับว่าผมเกิดใหม่ด้เด๋อวนี้เนี่ครับว่าชาวบ้านอ้าวคนคนเกิดใหม่ที่มาอย่างสังซีได้ว่ า, าสันพันถามันเด็กน้อยมันจีมาจังซีได้ยังไงว่าสันพันวาคนคนคูกับเมียนพันวาสือกับเมีนบุแมีนเกิดใหม่ยังสังครับว่า ผมเกิดไหมนี่หมายถึงบ่ได้เกิดจากพองแม่ครับว่ะผมเกิดปัญญาอันนึงขึ้นมาในตัวผมนี่ซื่อๆนี่เลยครับว่ะอ้าイคนเนี่ยขันบุ้งหจักรูปหุ่จากหนานั่นสิกะคือคนตายแล้วนี่แล้วดันพูนวาสองเถื่อครับมันบุ้งหจักแตแท้ครับแต่ก่อนครับเดี๋ยวนี้ผมหู้จักเดินนี่ครับมู้หุ่นจากมันเป็นทางไหนพอ่อเสื้อแทะบอเสื้อครับว่ะผู้อื่นว่าบัแมนจินวาแมนบอดแมนครับว่า อาจารย์นี่ว่าบนเมียนกิเสือ้อโบเสื้อครับว่ะเสื้อผมเองว่ะท่านท่านก็เลยมานั่งกองของคิดอยู่เป็นปีหาข้อมาถามผมนั่งประมาณอยู่บนนานนะครับนานกันที่ประมาณจากห้าน่ะคือระว่างนี่นะ่ะท <c oughs> ่านเลยถามท่านพอออกเกลือเข็มบ๊องว่นนนาท่านพูดผ่าโอยอันยังซิกาจิมาถามกัานละเนาะว่ะท <c oughs> ่น ปัญหาเด็กน้อยลแล้วแหละบันเหนียวสันพงเข้าใจยังซี่ครับเป็นปัญหาเด็กน้อยว่าสันผมคิดดูนะมาถามอย่างซีมาถามปัญหาเด็กน้อยลแล้วแหละไม่ถักอะไรตอเพิ่งมา <c oughs>